ทำสติปัฏฐานถูกต้องแล้วเกิดสมถะได้เหมือนกันวงเล็บเปิด19เมษายน2551ในวงเล็บหนึ่งจุดจุดนาที30วงเล็บปิดมีพระสูตรอยู่พระสูตรหนึ่งนะเป็นเรื่องแปลกมากเลยท่านสอนบอกว่าภิกษุหายใจออกก็รู้หายใจเข้าก็รู้สอนแบบสติปัฏฐานเป๊ะเลยสุดท้ายบอกว่าพอรู้ทันเนี่ยนะจิตมันจะไม่หลงฟุ้งซ่านไปในโลกของความคิด พอจิตไม่หลงฟุ้งซ่านไปในโลกของความคิดเนี่ยธรรมเอกคือผู้รู้ผู้ตื่นก็เกิดขึ้นมาเห็นไหมเพราะฉะนั้นทําสติปัฏฐานถูกต้องนะสมถะจะเกิดขึ้นเองคําสอนอย่างนี้ก็มีนะแต่ไม่มีใครพูดกันหรอกมีแต่บอกว่าให้ทําสมถะไปก่อนแล้วค่อยไปทําสติปัฏฐานความจริงพระพุทธเจ้าสอนไว้หลากหลายมากเลย สติปัฏฐานบางบทเนี่ยสอนให้รู้กายรู้เวทนาไปยังรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมเนี่ยให้รู้เหมือนกันรู้เหมือนที่ทำสติปัฏฐานนั่นแหละรู้ไปเรื่อยๆนะจะมีธรรมเอกผุดขึ้นและภาวนาต่อไปพอจิตเข้าฌานที่หนึ่งก็ยังมีธรรมเอกผุดขึ้นจิตเข้าฌานที่สองก็มีธรรมเอกผุดขึ้นไม่เหมือนตอนทาสมาธินะตอนทาสมาธิต้องเข้าฌานที่สองถึงจะมีธรรมเอกผุดขึ้น พอมีทำเอกผุดขึ้นแล้วก็มารู้กายรู้เวทนาเนี่ยวิธีเดินมีเยอะแยะเลยไม่ผิดหรอก